ทัดติถะพระเวราชาปิยาจะักระระตุเมเยสารันตินิรันตังสัพพะสุขาวหาทัดติถะพระเวราชาปิยาจักระระตุเมเยสารันตินิรันตังสัพพะสุขาวหา ทัตติะพระเวราชาปิยาจักะระตุเมเยสารันตินิรันตังสภ ะ, ะสุขาวหาทัตติฏะพระเวราชาปิยาจักะระตุเมเยสารันตินิรันตังสัพภะสุขาวหา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 ทัติถะพระเวราชาปิยาจะกะระตุเมเยสารันตินิรันตังสพะสุขาวหาทัติถะพระเวราชาปิยาจกะระตุเมเยสารันตินิรันตังส ะ, ะสุขขาวหา ทัตติฏะพระเวราชาปิยาจะกระระตุเมเยสารันตินิรันตังสัพพะสุขาวะหาทัตติฏะพระเวราชาปิยาจะกระระตุเมเยสารันตินิรันตังสัพพะสุขาวะหา ทัตติฏะพระเวราชาปิยาจะักะระตุเมเยสารันตินิรันตังสัพพะสุขาวะหาทัตติฐะพระเวราชาปิยาจักะระตุเมเยสารันตินิรันตังสัพพะสุขาวะหา